เอาน่ายอย่าซีเรียสเรื่องน้ำมนมหาสเสน่ห์แม่นกแก้วเป็นคนปากจัดเลี้ยงสามีเหมือนลูกชายคนโต ดุด่าว่ากล่าวบนทั้งวันวันวันมีแต่เรื่องรำคาญใจมาเล่าให้สามีฟังด่าลูกด่าหมาด่าแมวทะเลาะกับคนข้างบ้านทุกวันสามีสุดแสนระอาหนีออกจากบ้านไม่โผลมาให้เห็นศีรษะหลายวันแล้วแม่นกแก้วกลุ้มใจเป็นอันมาก ร้องไห้ฟูมฟายมา ห, าหาหลวงพี่ขอให้ช่วยหลวงพี่มีอะไรดีๆไหมมีของดีที่ทำให้ผัวฉันนกกลับบ้านมีไหมหลวงพี่บอกโยมปัญหาของโยมเรื่องเล็กมากอาตมามีน้ำมนต์สักสิทธ์ได้ผลดีมากแต่ต้องมีคาถากำกับในโยม โยมจะทำได้หรือเปล่าทาไม่ได้ก็ไม่คลั้งทำได้จก้กค่ะอิฉันนะทำได้ทั้งนั้นขอให้ผัวกลับมาอยู่กับฉันก็แล้วกันอาตอมาจะให้น้ำมนโยมไปขวดหนึ่งพ่อเจอหน้าสามีให้โยมอมน้ำมนต์ไว้ห้ามพูดอ้อมแล้วยิ้มอย่างเดียว ยิ้มตลอดเวลาทำได้ไหมอุย้ยได้เจ้าค่ะหยุดพูดสัก2องสาวันคงไม่เป็นไรทำได้เจ้าค่ะ น, น้ำมนต์นี้ต้ององมทุกวันนะโยมต้ององมบ่อยๆไม่อย่างนั้นขาถาเสื่อมได้เจ้าค่ะแม่นกแก้วคิดในใจว่า กลับมาบ้านคราวเนี้ยเสร็จค่ะแน่ข้านมีถีเด็ดกลับมานั่งอมยิ้มรอสามีที่บ้านสามีน่ะอยากกลับบ้านใจจะขาดเพราะคิดถึงลูกแม่นกแก้วนั่งชะเง้อมองหน้าบ้านทุกวันพอเห็นสามีเดินมาแต่ไกลก็รีบเอาน้ำมนต์มาอม พอสามีเหยียบขึ้นบันไดบ้านแกก็ยิ้มตามที่หลวงพี่บอกสามีรู้สึกแปลกใจหันไปดูเลขที่บ้านสงสัยว่าขึ้นบ้านผิดหรือเปล่าเพราะตามปกติเมียตะโกนด่าตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าเขตรั้วบ้านแล้วแต่วันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสเอาอกเอาใจเป็นพิเศษ สามีเริ่มกังวลใจว่าวันนี้มันจะมาไม้ไหนแต่เมื่ออยู่ต่อมาสังเกตว่าแม่นกแก้วเปลี่ยนไปมากไม่พูดไม่ด่าไม่ชวนทะเลาะทำให้บ้านสงบเย็นและมีความสุขนับแต่วันนั้นสามีกลับบ้านทุกวันไม่เคยไปค้างที่อื่นอีกเลย ด้วยอานิสงของการอมน้ำมนต์เขาจึงบอกว่าสเสน่ห์ยอยู่ที่ปากสเสนียดก็อยู่ที่ปากแล้วแต่ว่าใครจะใช้ปากให้มีสเสน่ห์หรือสเสนียด